พุทธธสองเนปาพุทธธรสงนพาพุทธแท้ทงแท้สงแท้คือพระินพาลพุทธธรรสงเบื้องต้นคือสุภจรปันโรพุทธสงเบื้องท้ายคือพออระอรหัง ที ner, iner, ่เจ้าทุกทุกพระองค์ด้วยมหาเทระชั้นที่หนึ่งคือพระธมทั้งพุทธเจ้าชั้นที่สองคือพระปฏิจจทั้งหลายชั้นที่สมอรหันต์ตาคีรนาศทั้งหลายชั้นที่สี่พระอนาคามีทั้งหลายชั้นที่ห้าพระสกทาคาเมีทั้งหลายชั้นที่หพระโสดาบันทั้งหลายพระมหาเทระทั้งหลายเหล่านี้แหละ เมื่อพวกเราได้ทำผิดท่านด้วยกายกรรมสามมิจฉกรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พบก่อนๆท่าก่อนๆก็ดีขอให้พระมหาเทระทั้งหลายเหล่านั้นจงทรงก็โทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อพ้ทุกท่ายพวกเราทั้งหลายจ่อประสบแต่ความสุขความเจริญเนี่รพุทธศาสตร์นฐานะของพระสมานพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยดุวนทุกต้วหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเทินในระหว่างพวกเราทั้งหลายทั้งทางตจโรกาทั้งที่มาในที่นี้ก็ดีไม่ได้มาในที่นี้ก็ดี ต่างฝ่ายต่างทำผิดกันด้วยกายกับคสามวันชีคำสี่มโนคำสามอัแดนหนึ่งก็ดีไว้พวกเราทั้งหลายทุกคนหน้าทุกทางใจรอกาต่างฝ่ายต่างก็ให้อโหสิกรรมแจกันด้วยกันทุกคนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อผลุดใช้พวกเราทั้งหลายจะประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพุทธศาสนาความมุสลิพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเทินอาหังตุ้งเฮหิปีเมฆคำนีตาบาง ยัชชะปปังกตะังกมังกุทะเลนะเปรียติสุังโลกังโมพาเศติะมุตโตจันติมาธิวาอภิวาสนาสีนิจานิจังมุตตาปชายโนจตารูธรรมาวจันติอายุวันูสุขังพระลังหละทีนี่ยมีแต่คนเก่าไม่ใช่คนใหม่ไม่ต้องพูดย่อๆไม่มีคนใหม่เลยมีแต่คนเก่าแก่เรียนแก่ฟังมาแล้วแก่ปฏิบัติมาแล้ว ชัดไหมไม่ชัดชัดไหมชัดไห ม, ดไหมเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนีชัดหมนี่ชัดไหมเออมัน <laughs> มัน <c oughs> มันคานี่มันเปิดไหมหมดหน้าตาเปิดไหมหมดอือื ทำไมจึงลงมาอยู่ข้างล่า ง, ง, างอเออนี่ไม่ไม่ชัดชั ด, ช, ด, ช, ดชัดไหมเนี่ยชัดไหมเนี่ยชัดนะทีนี้เรามีแต่คนเก่าสี่นี้จะพู ด, ด้ย่อจะปารบย่อๆทำไมพระ บรมศาสดาหรือพระเทรานุเทละทั้งหลายจึงเรียกว่าวิปัสนาธุระก็มีธุระทางปัญญาเรียกว่าวิปัสนาธุระวิปัสนาธุระกับปัญญาธุระก็มีความหมายอันเดียวกันศีลก็ตามสมาธิก็ตามอะไรก็ตามมีปัญญาเป็นหัวหน้าปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาโลกุปตปัญญา โลกตะละปัญญาก็หมายแต่พระสวัดิบาลเป็นต้นไปเยียกว่าปัญญาธุระศีลผู้มีศีลก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้ารักษาถ้าอย่างนั้นศีลก็ไม่คุ้มสมาธิก็มั่นกันปัญญาก็มั่นกันปัญญาและบริสุทธิ์จติบุคคลจะบริสุทธิ์ก็พระปัญญาปัญญาโล ก, กสมิปัโชโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีทะลุภูเขาเลยเห็นอเนจังขณะเดียวก็ทะลุโรคแล้วเพราะโรคตะมาด้วยอเนจัง เห็นรอบหนึ่งแล้วทุกก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันในใดในตจโลกธาตุคืออันนี้จังทุกขังอนัตตาทางนั้นเกิดขึ้นได้ก็ไปผุนได้แต่สลายสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นก็ดับในปัจจุบันสังขารใดเกิดในอดีตสังขารนั้นก็ดับในอดีตสังขารใดเกิดในอนาคตสังขารนั้นก็ดับในอนาคตคําพูดใดๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคําพูดนั้นๆก็ดับไปในปัจจุบันและผู้นึกผู้คิดด้วยอดีตคืออะไร คือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กำลังเป็นอยู่ผู้รู้ก็คือนามมาทานามมาขันนามมาธาตุนั่นเองนามมาโลกนั่นเองเกิดขึ้นแล้วก็ไปดับติดต่อกันเป็นระยะหาหว่างไม่ได้ทาทั้งหลายที่เกิดที่ดับก็จะเกิดดับอยู่หาหว่างไม่ได้ที่ไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่หาหว่างไม่ได้จงรู้ตามเป็นจริงสะ จงปฏิบัติตามเป็จริงสะจงรุดพ้นจากความหลงเจ้าของตามเป็นจริงสะอย่าไปยึดถือสิ่งใดในโลกทางอดีตทางอนาคตทางปัจจุบันเลยสมมุติก็จริงตามสมมติอย่าไปชี้ไปพ้นวรมุติก็จริงตามสมมติอย่าไปชี้ไปพ้นสมมุติใครเป็นสมมติเบื้องต้นก็คือจิตใจนั่นเองเป็นสมมุติไว้ใจใจใจขึ้นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมันในใจสิ่งใด เมื่อรู้เท่าใจตอนไหนก็รู้ธรรมตอนนั้นรู้เท่าใจโดยสิ้นเชิงก็รู้ธรรมโดยสิ้นเชิงใจเป็นแต่สักว่าใจกายเป็นแต่สักว่ากายเวทนาเป็นแต่สักว่าเวทนาจิตเป็นแต่สักว่าจิตธรรมเป็นแต่สักว่าธรรมไม่มีใครไประยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิงทั้งหลายก็อยู่ตามธรรมชาติ ธรรมชาติของธรรมฝ่ายเกิดฝ่ายดับตามธรรมชาติของธรรมฝ่ายไม่เกิดไม่ดับจงรู้ตามเปนจริงปฏิบัติตามเปนจริงซักพระบรมศาสนา ร, ารู้อดีตตามเปนจริงของอดีตเรารู้อนาคตตามเปนจริงของอนาคตเรารู้ปัจจุบันตามเปนจริงของปัจจุบันคือไตรลักษณ์เหตุนั้นเราจรึงไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามวิญญาณปฏิสนธิของเราก็จึงไม่มีจึงข้ามทะเลหลงไปซักเอาละสีนี่พูดตอนนี้พอแล้วท่านอาจารย์แดง เอาตามนามเดิมหรือเอาตามนามใหม่เอาตามนามเดิมก็ได้นะตามนามใหม่ก็ได้เพราะสมมุติใช่ไหมสมมุติตามนามเดิมก็ได้ตามนามใหมก่ก็ได้นามังไปลว่าชื่อถ้าพูดมากก็ามากถ้าพูดนน้อยก็น้อย ศีลพระสวัสดิบาลศีลสักกาคามีศีลพระอนาคามีศีลพระหลานจะเอามาเทียบกันไม่ได้ปัจจุบันพระสวสดาบันปัจจุบันสักการามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระหลานจะเอามาเทียบกันไม่ได้ปัจจุบันพระพระเจกเอามาเทียบกันไม่ได้ปัจจุบันพระสมานาพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันก็ได้เพราะมียิ่งย่อนกว่ากันผู้ใดถึงพระสวสดาบันผู้ใดไม่เสียดายร่วงละเมื่อศีลห้าไม่เสียดายร่วงละเมื่อรบายมุ่ ไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ได้อยากจะถือเรื่องดียามดีไม่ใช่ได้อยากจะถือผีถือสางภายนอกไม่เสียได้อยากจะจองเวรท่านผู้ใดโปรดอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรผู้นั้นก็คือสุปฏิปนุนั่นเองจะเดินจะกมภาวนาตลอดรุ่งตลอดค่ำก็ตามถ้าเสียได้ร่วงละเมิดศีหน้าถ้าเสียได้ร่วงละเมิดอบายมุขถ้าเสียได้ร่วงละเมิดอยู่ถืออยู่ยงคยกยก <ance> งกระพันถ้าเสียได้อยาก จะถือเลิกดียามดีถ้าใช่ได้อยากจะค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขาสัตว์เป็นเลยเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำมาน่าขายยาพิษมันก็ไม่ใช่พระสวสดาวันถ้าถึงพระสวสดาบันแล้วสักคาคาเมนาคาเมก็เปิดประตูไปในตัวเลยบาปของพระสวสดาบันนับวันจะร้อยหรอบุญของพระสวสดาบันไปบานเต็มที่อยู่ที่พระอรหัตมรรม เมื่อถึงพระรหัสตะผลแล้วก็เนื้อบาปเนื้วบุญไปซักชิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธผู้ใจสูงจะพิจารณาทั้งนั้นถ้าปฏิบัติเพื่อเพลินทุกในวตาสงสารปัญหาก็ไม่มากถ้าปฏิบัติเพื่อปัจจัยสี่ปัญหาก็มากปัจจัยสี่จะรูหราสักเพียงใดก็าตามก็เกิดขึ้นมาจากธาตุดินน้ำไฟลมแต่อสลายลงไปก็ไปเป็นดิ น, นเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมตามเดิมและทุนนิยม แล้วก็ชมมาดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอนิจจังในไตรโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นของพระนิพญห์หมดรัฐที่ใดศาสตนาใดๆก็าตามวัตถุนิยมและอุดมคติใดใดก็าตามเป็นเมืองขึ้นของพระนิพญห์หมดพระเนปัญห์พุทธพระนิพญหนธรรมพระเนปัญห์สงฆ์นิพพานในรัฐที่อื่นไม่มีเลยพูดน้อยเพราะอธิบายพูดพูดหลายชาวโลกเบือ่อไม่ได้ทีนี้ พรกเราเตรียมสิ่งของมาทําวัดทางการแบนเอามาแล้วหรือเตรียมสิ่งของมาทําวัดทางการแบนพระพุทธรูปอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ข้างล่างถ้าเอามาอยู่ข้างล่างเนี่ยก็เพราะเราขึ้นไปข้างบนแล้วก็เราไหว้ข้างบนพระพุทธรูปผู้ให้ก็เพื่อพระเนรพาลผู้รับก็เพื่อพระนรพานปัญหาก็ไม่มากถ้าให้เพื่ออันอื่นๆแล้วเพื่ออนอื่นปัญหาก็มาก นะไม่พอหรือยถาวาดีวหาปุราปฏิปุเรนติสากะลังเอวเมวยโตเนังปยตารังโมพระกะปฏิติตังปฏิตังตุมานกิปามีวะสมิเตตูสเปปุเรนตสังกปะจันนารโสยัามณีเทตรโสยัตถะสเปตโยวัชนาสะปุโตโศสวะปโยสะโรโเวนัสสะตุมาเตปวัตตวันตราโยตุสีติขาโยโอภิวาตนาสีริสะเนจังมุตตาพระชายโนจัตตารธรมมวัจันติ อาโยวันสุขังพลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพัตมานุภาเวนะสัพพสั้งคานุภาเวนะวัตรรัตนังธรรมรัตนังสร้างรัตนังตินังรัตนานังานุภาเวนะยตุนาสีตีสาสะสมักขันทานุภาเวนะปิสกัตถยานุภาเวนะชินาสาวคานุภาเวนะสเพเทโรคาสเพเทพยาสเพเทอัตระยาสเพเทอกัตวาสเพเทตุนนมิตาสเพเทอมังกราวินัสสันตุายวตโกตการสนวัตโกตการสิริวัตโกตการยศวัตโกตการรัวัตโกตกาวนวัตโกต ทุกขาตโตกโหตุสทาทุกขโคขปยาวิยาลาโสกาสตุจุปัฏฐานะเนกาตรายาผิววินาศสตุจเตสาเจสิทธิธนาราพังโสธีผักยังสุขังปรังสิริอายุจวันโนสะโคังวุติเจาสวัสดิ์ธรสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวัตุสะกามังคลานักันตุสะปฏิาสัพัพุตานุภาเวนะชาตาโสธีพวันตุเตภวัตุสะกามังคลานักนตุสะปฏิปทาสัพะจำมานุภาเวนะชาตาโสธีพวันตุเตภวัตุสะกามังคลานักขันตุสะพเิปา สภาสร้างคาราภาวยานะสัทาโสธิพระวันตุเตยอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเธอพุทโทธธรโมสังโฆนิพานังพวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้าทัทท้งทางโลกาทั้งที่มาในที่นี้ก็ดีที่มายัมาในที่นี้มมนก็ดีย้งประสบแต่ความสุขความเจริญในบรวรพุทธศาสนาของพระพธรรมท่านพทะเจ้ายิ่งขึ้นไปทุกท่านหน้าทัทท่งทัางใจโลกาและสภารสรรายาักรวาลอยู่ทุกเมื่อไมามีประมาณเถิ แล้วแหะทนีแล้วที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวยเดธรรมท่านอาจรเชก่อนธรรมอาจารย์เชก่อนมันผดไม่ไม่ธท่านอาจรเชก่อนมะเออเ่นอผิดทาไม่เอาแบบนี้เออเอาพร้อมกันกาพร้อมกันนี่ พระที่มาต่างมาเยี่ยมทางอื่นก็มีพระอยู่ในวัดนี้ยพระเรามาหมดแล้วหรือยัง ไหมเนี่ยนะมาดมดไหมพระหองฮะนี่มันโล่งโถงแต่เท่านี้เนาะเี๋มันเป็นตอกเป็นซอยไปห้าเจ็ดทีสองนี่เอ็นสีความเสื่อมความเจริญไม่อย ok ู่กับน้อยนะมากอยู่กับหัวใจแต่ละท่านแต่ละคนใช่หรือไม่น bueno ีนะครับนี่มนให้โอกาสให้ให้ให้วาดบ้าฮะไม่พอยังไม่พอ ให้โอว่าให้โอวานเจ้าของเองโอ้ปู่ให้โอวานก่อฟอแล้วแล้วก็ตอนนี่ดรอปนี่ไปก็ให้ลูกศิษย์หลานปู่ทั้งหลายนะให้โอวานเจ้าของเองอืพูดป้าเราเก็บเหมือนกันแต่ปู่ให้โอวานนหลานลูกหลานปู่ไม่ทําไมให้โอวานเจ้าของเองล่ะปู่ชั่วไม่ไหวเดี๋ยเดี๋ยวเดียนั่นนั่นนั่นนั่นมาจากไหน มองเงินฝ่อเข้าบอกยังมาซะมาซะมาจากผู้ดันแจ่มมาซะปฏิสันฐานคารวตาเดี๋ยวก็ถ้าไม่มีใครทักท่วงพ่อละอายมาซะมาซะมาซะมาซะมาซะมาซะ นแ้ S <S ีนแก้ใหนแต้เรแก้เรนแ้นแ้แต้นแ้นแ้นแ้นแ้นแ้เดี๋ยวนนะถ้าอยากเอาทั้งสองควบกันเลยไมเล็ข้าวเดียวทั้งสองควบกันเลยเอามาเลยาเลยทั้งสองควบกันเลย a l h a m d u l i l ลามลาม ที่นี่วเราให้พร่อพร้อมกันเนาะพวกเราให้ก่อพร้อมกันว่าถ้าพระโรควมินโมโตะเรพอแล้วสาพะโรคัิเนโมโตะทันตาปะจิตโตซาปาวะมติกันโตนิปุโตจตุวันสาวะ ที่เที่ยวในวัสัมตมเตภวัตตันตายิขุภภอวสนาสุาัจายตัตตาธมวัันเอายุวันโโัง เอาอย่างย่อเลยสัพเวนะปฏิกันโตไม่มีเวรแล้วมันก็หมดเรื่องเนพุโตจะตงเพรา ะ, ะจงถึงพระนปพาเนก็หมดเรื่องรู้จากไหมเนี่ยรู้จากไหมท่านอาจารย์เบนแ ต, แต่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาเนอะคุณนวทโธคุณนวทโธมีคุณนวโทนวธโทวธโทสูงไปอีกเ่ง คุณน ว, วโทโธวัยน ว, วโทโธด้วยก็มผมปีนี้ย <ห ả? S 2> ำภาษาโดยกัรพระห้าสิขบข่านสามาเนนสองครับผมโอ้โอ้พระสองปีมาแล้วสองปีมาแล้วมีแต่หกสิบกว่าขึ้นไปปีนี้ลดลงมากลดลงมา ก, ก็เบาไปสักน้อยหนึ่งครับผมปีนี้เจ็บเจ็บเทียบอะขอ่ของเร า, าเจ็7ท พีกายี่เจาใช่ไหมทั้งฟาทั้งเรนนะี่ก่อนแม่บอกพ่อรเจ็ดสกถ้าเจ็ดเรเจ็กพุทธโธเรียกพทโธรมโอเรกธมโอผาธมโอบัตธมโอเบอร์พุทโธผีพุทโธสางสารพัตเพราะมันนอไมเหมือนกันเพราะกัญญามาอยู่ในระดับเดียวกรรมมมนาวัตติโลโกสั้โลกก็ต้องเปลี่ยนไปตามกรรม กรรมในทางวัตถุศาสนาส่วนกุศลกรรมจัดถึงพระอนาคามิครุกรรมจัดถึงพระอนาคามิครุกรรมในฝ่ายหนักจัดถึงมหาวิกีนรกเมโลกกัญจานรกครุกรรมในทางฝ่ายกุศลจับถึงพระอนาคามิส่วนอนหัตถะมัตอ์อนัตะผลข้ามไปแล้วทั้งบาปและบุญพระบาปก็ละพอแล้ว บุญก็สร้างพอแล้วก็เลยข้ามไปก็อยู่ในตัวข้ามเหตุข้ามผลเหตุที่จะสร้างบาปก็ไม่มีเหตุที่จะรับบาปก็ไม่มีเหตุที่จะสร้างบุญก็ไม่มีเหตุผลที่จะรับบุญก็ไม่มีก็พระเต็มแล้วเพราะบริบูรณ์แล้วนกบินในอากาศก็มีแต่ตัวของมันวันยังขํารอยไม่มีเลยมีเทียนน้าก็เหมือนกันผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบันเอ้า อุปทานสีกรรอุปทานถือมันในกามจิตทุปทานถือมันในทิฏฐิสีและพระตูปทานถือมันในสินพรัอัตวาทุปทานถือมันว่าทะว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาว่าสาระบุคลอุปทานทั้งสี่นั้นอุปทานสาข้อเบื้องต้นเป็นเมืองเคลื่อนของอัตวาทุปทานถ้าพ้นจากอัตวาทุปทานแล้วก็แต่ก็เจิงอวิชาตัณหาอุปทานคำภพชาชะรามรณะไม่ต้องเรียงแบบก็ได้ที่พระบรมศาสดาเรียงให้เรารู้จักสาวไปสาวมาเขาเพื่อให้สมภูมิ เอาละเอวังใ ja ี่ไหมเดี๋ยวจะเป็นบ้านำรายพุทธอธรรมโมสังโูพวกนักเรียนทาไมพูดอย่างนั้นไม่ถึงใจกาบวเองัะมันกาบก็เรียกในบุญจะเอาไหมเออเอาเอาให้ชาติอาจารย์บ้างไป เอาให้ okay. ท่านจะพูดว่าใครพูดท่านจะพูดปวดใช่ไหมปวดอะไรตัวเข้าท่านเข้าพรรษาอยู่ในพระนเพปานแต่พวกเราต้องเข้าพรรษาอยู่ในฐานวัดศีลวัดภาวนาวัดให้บริบูรณ์เสียก่อนจิงจะออกพรรษาฐานวัดศีลวัดภาวนาวัดบริบูรณ์แล้วเราก็ออกพรรษาออกจากกิเลส แล้วก็เข้าสู่พระเนปาลเนล้วก็เข้าพรรษาในพระเนาพานไม่ได้ออกไปไหนเลยใี่เดี๋ยวนี้เข้าพรรษาอยู่ในโลกในธานวัตศีลวัตภาวนาวัตพระสูตรสูตรของกายของวาจาของใจเข้าพรรษาอยู่ในพระสูตรพระกายพระสูตรของกายของวาจาของใจที่มีธานวัตศีลวัภาวนาวัต ทำคําสอนของพุทธศาสนาเป็นทำคําสอนสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิสอนสวรรค์สมบัติเต็มภูมิสอนพรหมสมบัติเต็มภูมิสอนนิพพานสมบัติเต็มภูมิแล้วไม่มีลัทธิใดๆที่จะเหนือพระพุทธศาสนาไปเลยกคตไม้โคตหมูโคตพักโคตรพวกของชาวโลกตั้งขึ้นไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดชาวโลก ชาวโลกอวดดีต่อพระพุทธศาสนานั่นเปคำหนึงถึงคําสอนพระพุทธศาสนาเลยมนุษย์สมบัติจําพูนสวรรค์สมบัติจําพูนพรหมสมบัติจำพูนนิพพานสมบัติจําพูนแล้วตาไม่ลืนเลยของชาวโลกเห็นนั่นจึงอนละมานอยู่ทุกหยอมญ้าเขาเข้าใจว่าคําสอนพระพุทธศาสนาบกพร่องการปกครองโลกไอเทเทพระพุทธศาสนาปกครองโลกด้วย ความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะพกครองโลกได้ทีนี้ความละอายต่อบาปอดตะปะสรุงครัวต่อบาปทําเป็นโล ก, กบาลพกครองโลกชาวโลกเขาไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาพกครองโลกรัพพาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาเนีมนุษย์ทั้งหลายเต็มภูมิแล้วไม่มีที่จับโบเลยตอนไหนที่พระพุทธศาสนามาสอนมาในมีเลย มนุสมบัติก็คือเวนอบายมุกทุกประเภทแต่พวกชาวโลกเปิดอบายมุกนั่นมันไม่รู้ทางชิบหายทางชิบหายทางเจริญยังไม่รู้แล้วฉไห น, นจะปกครองโลกได้ชาวโลกก็มีแต่พระสมานพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นปกครองโลกทุกยุคทุกสมัยทุกททการทุกเวลาด้วยพระพุทธเจ้าองคไหนมาก็มาปกครองโลกเอา้าถ้าชาวโลกมีศีลห้าบริบูรณถ้าละอายต่อบาปกลัวต่อบาปแล้วไม่ล่วงละเมิดศีลห้า เมื่อมีสินหาบริบูรนับแต่รู้ดียังสาไปแล้วทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีตัวตรวนก็ไม่ต้องมีใช่หรือไม่ขายของก็ไม่ต้องเฝ้าโรคเอทก็ไม่มีใช่ไหมนั่น <c oughs> มันพกของปลายเหตุที่นี่อาบายยมุขเปิดเ ป, ดเปิงเลยเาชาวโลกเห็นนั้นจึงอนมาน ค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเรื่อสัตว์ที่ตัวขาไปเป็นอาหารค่าขายน้ำมอค่าขายยาพิษนั่นพระบรมศาสดาสอนชาวโลกแล้วแต่ชาวโลกขี้โอค่าขายเครื่องประหารก็คือค่าขายเวรภัยนั่นเองนั่นค่าขายมนุษย์กับค่าขายเวรไัยนั่นเองค่าขายมนุษย์กับค่าขายโรคเอสด้วอันเดียวกันใช่ไหมนั่นพูดน่อยไหมพออธิบายพูดหลายเสียมารยาท นั่นๆๆๆๆนั่นั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พูดม่ในนั่นออกนอกกําไดใครก่อนก็จิตใจไปพผู้ก่อขึ้นนอกจากใจไม่มีอันไหจะทำดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะทำชั่วให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไหจะปฏิบัติใจนอกจากใจก็ไม่มีอันไดจะรู้เท่าใจ รู้เท่าใจตอนไหนก็รู้เท่าธรรมตอนนั้นรู้รอบใจตอนไหนก็รู้รอบทรรตอนนั้นรู้รอบใจหมดก็รู้รอบธรรมหมดไม่ถือมั่นในใจทั้งปวงก็ไม่ถือมั่นในสิ่งทั้งปวงในใจโลกธาตุก็ข้ามทะเลหลงไปสักพูดได้ไหมพออธิบายผู้หลายคนขี้โอ้อาลโลกหวดดีไม่มองดูคำสอนพระพุทธศาสนา ตั้งกฎหมายกฎหมู่กฎพรรคกฎพว ก, พวกแข่งกันก็แข่งเวรแข่งภัยกันนั่นเองถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันกรรมและผลของกรรมไม่ล่าสมัยเลยมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็มาสอนอันเดียวกันเลยไม่ได้ตั้งพรบรไม่ได้ตั้งพรรคไม่ได้ตั้งพวกไว้ไม่ได้ตั้งคนข้างมากข้างน้อยไว้ข้างมากสักเพียงไหนก็าตามถ้าปีนเกลียวพระพุทธศาสนาพระบรมศาตราค้อาไม่เอา เพื่องมากลากไปลากไปทางดีมันก็ดีลากไปทางไม่ไม่ดีมันก็ไปตกเหวหมดมเมื่อแรงวันลากไปทางมมดคูดมเมื่อแรงพึ่งรางไปทางเกสนอนเราไหมใครจะลากไปดีกว่ากันทิ้งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะพิจารณาทั้งนั้นนะเอ อ, อถ้าอย่างนั้นมีธุระอะไรก็ต้องพูดก็ต้องทํากันซะเดี๋ยวก็ได้มุ่งไปหลายแห่งใช่ไหม ไม่ได้มุ่งมาแหงเดียวเราจะเอาเวลาคนเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้มุ่งมาแห่งเดียวทำไมจึงไม่ลงไปนี่ทำไมจึงไม่ขออภัยเพราถือว่าเป็นลูกๆนั้นล้านก็ไม่ขออภัยนี่นีนนามนามเข้านี่นะมันไม่ออกมันไม่ออกมันได้หลายปีแล้วมันก็ระเบิดขึ้นนะเก็บปวดมาหลายวันแล้วเนะี่ย ทำไมยังไม่ขออภัยเพราะถือว่าเป็นลูกหลานก็ไม่ขออภัยขันว่าหลงดินกับว่าลงน้ําถ้าไม่ลงดินก็ไม่ลงน้าไม่ลงไฟไม่ลงลมถ้าลงดินก็ลงน้ําลงไฟลงลมเหมือนกันเลยถ้าไม่หลงปัจจุบันอดีตก็ไม่หลงอนาคตก็ไม่หลงปัจจุบันคืออะไรคือขันทัวิบากอดีตขันทั้วิบากที่ล่วงไปอนาคตขันทั้งวิบากที่ยังไม่มาถึง อดีตคืออะไรคือเรียนหน้าไฟลมที่ล่วงไปอนาคตคือเรียนน้าไฟลมที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือเรียนหน้าไฟลมที่กำลังเป็นอยู่อดีตคืออะไรคือจิตใจที่นึกแล้วล่วงไปอนาคตคือจิตใจที่ล่วงที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือจิตใจที่กำลังนึกคิดกำลังพูดมันเดียวกันเลยในโลกเนี่ยผู้ใดผู้ใดเห็นยั mind, ยงของใหม่จากแนวเดียไมีแต่ของเกา่าเหรอร่วมหายใจเข่ากกัของเก่าหัน มีของใหม่ใส่จากแนวมามีมีแต่ของเก่าเกิดแก่เก็บตายกับของเก่าเอสาธโมธนันโสนุกระทั่งเป็นของเก่าศีลสมาธิปัญญาก็ของเก่าพวกกินเรากินม้าจะของเก่าคนละพวกเว่นกับเว่นม้าจะเก่าคนละพวกพุทธส้นพ่นหนากับม้าจะเก่าคนละพวกซื้อสินซื้อท่มกับม้าจะเก่าเื่ากันนะเข้ามาควมดีกับม้าจะเก่าเข้ามาควมจั่วกับม้าจะเก่าเท่ากัน ของเกาที่มันสัวเพื่อนให้ติ่มของเกาที่มันดีเพื่อนให้ปฏิบัติไหวมันทั้งหลายเ็นเกาตัวพระเวีสดฉันดอนท่านเราเนี่ยถ้าพระเวสยดันดอนยังท่านนด้เราเพราะมันเปท่านเหาทีพ่อเวีสดฉันดอนเขาขะน้องกันเขาไปกินนชื่อพ่อเวียดฉันดอนก็เพราะจะเอาห้องร้านสนกันนี้เขาขะน้องกันเขาห้องไปส้นลูหมือเขาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเสมอนี่แล้วพวกเขาห้ากินเราเขาห้องไปพวกเขาพวกเรียนบวกเรียนเบืยรเข้ามาเดีไปแจ้งให้เขาบอกนี่เลือเราเนี่ย เขาของพระเดวะไมเจ้าพระสงฆ์กระไรเขาไปหากิ่งเองเขาไปตัวพระเวสชนดอนท่านเราเมื่อเด็พระเวชนดอนบางประนั้นหลวงพ่อที่ท่านเราจังเลยหลวงพ่อที่องค์ล่างจะเชื่กันเนี่ยเขาขน้องเขาส้องซ่อนพวเขาศีลศีลอยู่วันไหนสมาธิอยู่วันไหนศีลอยู่ที่ใดสมาธิก็อยู่ที่นั้นศีลก็ตัดศีลลงที่ใจสมาธิตั้งมั่นลงในใจปัญญาก็รับรู้ลงที่ใจโตงลงศีลสมาธิปัญญากขาอยู er ่คนเดียวกัน ชิ้นท่าเย็นนี่มีชิ้นท่าหรือไม่ก็มีอยู่เพราะเราไม่ได้ประค่าค่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในกามที่ไหนเรานั่งอยู่เฉยๆควบดีนั่งว่าพ่อจึงเรียกว่าสารควบดีไว้คนควบดีพ่อเขาซัวคนในผะ้าควบซัวกคนด้ละไปในถั่วคนควบดีพ่อแล้วคนควบซัวหลายก็เรียกว่าละควบดีไปในถั่ว ข้อมดีพ่อแนี่ยกะะ็เรียกว่าละค้อมทัวไปแนตัวหือข้อมเงินตาแล้วยก็เรียกว่าละมืนไปแนตัวพวกไม่เสียนาบริบูรณ์พวกถือเพราะควรพระธรรมพระสงค์บริบูรณ์พรสงศสเพรานั้นละกิเลสตอนยายาไปแล้วขาดก็เด็นเลยบ๊วยเสียดายลวงเสียด้รลวงอะไรยังบ่เงี้ยังสิกระบุขึ้นอยู่ยังบาลามียังอ่อนอยู่ เม่อเชื้อใจ่วงละบารมีแกกาเนี่ยสามารถเจนวันท่าเข้าสู่พระนิพพานไม่ใช่้อใจ่วงละเมิดศีลห้าไม่ใช่ได้อยากจะถือศาสตร์กดาอื่นไม่ใช่้อใจอยากจะถืออยู่ยงคงกพันไม่ใช่ได้อยากจะถือเราดียามดีแม้ว่าเปิดประตูไปพระนิพพานเลยกไม่ถอยหลังบุญของพระสสดา์บันเป็นบุญบานนา บุญของผู้มิเสียนหาเป็นบุญบาล น, นาบาร น, นาเต็มพระหอดพระอานาคฆมิหอดพระละหันก็เลยเหนือบุญเนื้อบาปไปบาปผู้ยังรักษาเชียนหาว่าไงว่แน่นอนถ้าเลเซียกับบาล น, นาไปสู้มารหกถานาเลเซียกับโพมาโภมาไม่เชียนหาเขาไม่ายบางที่เรื่อมีเชียนหาบริบวณแล้รถเส่ยดย า, ายกรุงรัมเวรอบอายะมกะุกบุญบาล น, นา เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเหมอือนในวันข้างึ้นเหมือนพระจันทร์ในวันข้างึ้นแต่ไม่กลับมาแรมอกีกเฮ็ดให้เจ้ า, จาของรักษาความดีกับรักษ า, า, กกษาให้เจ้าของเข้ากติกาขั้นให้างาเขาเขาฮ็ดให้เจ้ า, จาของเฮ็ดความดีก็ขจายให้เขา้าะจายเพื่อความเห็นเฮ็ดความชัวไม่เพื่อความเห็นเขาก็ยังเฮ็ดเอาแล้มันหลวงปู่มหาพระอนุตัศน บักเตยียงเข้าปลูกไว้อยอ่ในวัดเนี่พยพระผู้อวิหัน่าสั่นเจ้าก็เอาไ้เพื่อนสันเนี่ไปยังบักเตงเข้าองเข้ามีอยู่ในวัดมาสั่นพระสันเอยียงเมื่ อ, อไรพระเป็นบักไหม่พระใครเห็นมาสั่นไปสวรรค์เนียพานกับเชียงไฮ้ได้ให้ให้บอกว่าสั่นกับเชียงไ้ได้คุ้มมาขึ้นนักโทษเนี่ยบอกว่าสั่นมาทางถ้ำัวขื้นจังบริได้คุ้มขึ้นจังไปไหวแต่ว่าสั่นพรนว่ า, ไไวาเอาบุญมาเป็น ม, มาเอืดบุญที่พะนว่าไปวินทบา พักเม็ดยอะมนทางมี่พระพันเขามาวัดค่ะพลังองค์พันบหรับบารับอาหารพันชื้ทุดงแขงคัดบางองค์แม่เขาพันาชันเนด้ยมู้เจ้าพักเม็ดพักเนียังยู่งะมู้เจ้าก็เพะจับพัสบายแต่พระได้แล้วใช่มุขมันเอาบุญมืเปเมื่บุญตัวลูกเอ้ว้สั่นพันวาแม่เนี่ยบักฮูพันเอได้วัด มีหลายมันโลนถิมอยู่เนี่ไมีสาบสีองค์เนี่ยนี่นันมรูหมันยกกูมห า, ามหาเปลวยกกูมาหาฝนหรอจะเกเี่ยเนี่ยเลมาเถอะบักฮงเนี่ยมันเสียบะโลนจะปากกระบ อ, อกเสียบอเสียคากระบอกาเถอะเจ้าก็ไปถวายพระเจ้ า, าไปยังมาเถะยงกูมห า, าเปลวเปมีกติได้ ใจนึกไปทั้งบุญก็เป็นบุญใจนึกไปทั้งบาปก็เป็นบาปใจส่งเสริมยินดีในบาปมันก็เป็นบาปใจส่งเสริมยินดีในบุญมันก็เป็นบุญจ้าวมัคค า, า, า, ารมนาธรรมามคคารมคิดนึกไปในทางบุญมคคาเหตุตักาธรรมาเพราะเป็นเหตุไปในทางบุญมคคาธิปัติโนธรร ม, มาก็ปฏิบัติอยู่ในตัวเหมือนว่าอารมณ์ของผู้เธอุภูือพระพุทธศาสนา เป็นอารมณ์ไปทางบุญเป็นส่วนมากบุญเจ้านะยากจะไปไปเป็นข้างบาปหลังสำหรับนอนเป็นขวากเป็นน้ำเราก็ไม่นอนปากสำหรับกินสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่กินไม่ดื่มไม่เคี่ยวหน้าก็เหมือนกันจิตใจก็เหมือนกันสิ่งที่ไม่ควรนึกก็ไม่ไม่ต้องนึกกามาว่ตกความตริในทางกามพยาบาทม่ตกความตริในทางพยาบาท มิเฮงสาวเมตตกความตริตในทางเบียดเบียนเธอทั้งหลายจะทําให้พี่นาฏซักพระพุทธเจ้าถ้าเธอทั้งหลายทําให้พี่เป็นพี่นาฏแล้วเธอทั้งหลายจะถึงพระอนาคามีจะถึงพระสสดาวันเชื่อมโยงต่อพระอนาคามีพระอนาคามีว่าเดนึกไปทั้งกาลเมตตกกับเทอือนด้นึกกันนึกธรรมดาซึ่งไม่เกี่ยมกับนัดพระญาบาลเมตตกก็คือกัน ว่าในไมีคว่มกำนัดว่าชีเบียรเวียนผู้ใดมีเห็งสาวิตรตกกับเคือ่องกลไม่้งมีมาบินเข่าหูดังกั บ, บวพวกเครื่าสิข้าพระสวดาวันมดเข่าหูกั บ, บ่วกเครื่องวัชิคาอานาเมายอดพระอนาคไม่แห้งหายม่งมุ่งยดเลยส่วนพระหรหัสขามไปแล้วออืว่าสำคัญในยุทธนาทีใดๆทั้ทงสิ้นไม่สำคัญตัวในที่ใดๆทั้งสิ้นผู้คนผลเปล่า เจ็บก็ห่วงจักว่าเจ็บยุบปวดก็ห่วงจักว่าปวดด้วยแต่หากว่าสําคัญว่าตัวปวดว่าสําคัญว่าตัวเจ็บว่าสังขารในกองทุกข์อานนอานนท์เอาน้ํามาให้เราดื่มเราเหิว น, น้าเราก็หายหน้าําุเพิ่พ์ดพูดธรรมดาไอ้เสือคลายก็ว่าอานนท์เอ้ยรถคันนี้มัว น, น้ามันหัวมันแล้วมันมัดแล้วเอาน้ำมาใส่ให้มันแน่คลายก็วางซะละ อันหนังสอมาอ่านด้ยมั้นัจะรับข้าภาวานาเป็นตัวเมื่อทํางท่าทํ้งางก็ได้อยู่ตื่นขึ้นมากับขาพาวานาเคยข้าพาวานาเลยก็ภาวานานั่นแหละมหาเ่วติทํ้ท่าสิก็ะดเดียดอกกับาวนาได้อยู่บัตหาเห่อไปแท่งซัวห่อทั้งท่าสว่าสั่งเมื่ทั้งท่าสิแล้บัทหาันื้อว่าท่งซัวมาสั่งมัจจิท่านมันบล ไ่ท้าห้ามไม่ท้าเื่อห้านั่งคัดอำาจที่ไปปะว่าสัมันกับว่านมันเนี่ยสร้างเรามันเปลี่ยนจังว่าสัตว์หนึ่งประธานว่าอันนั้นคือสัตว์แหละวนาอันนี้คือเป็นสีรลลุ่วในยิ่งคักวัานัเราองเสียงในยิ่บจังหะในยิ่งคักว่าเราของเสียง่ม่พออันนี้บะเห้จะมาสอนดีพนพ่ะเจ้าห้องมึงเงียดอก มุนี้มุนี้มันของเพื่นมาได้เอกุเ่เป็นของมูฮอวดได้เหรบูซาเพื่อนได้มัวยเ่ป็นบูซาเกียรติเขาไดเพนดินมัดเพนดินเพนหยาเพนน้ำเพนไฟเพนลมมัดโลกบูซาพระพุทธเจ้านำไล่พระพุทธเจ้านำไล่พระอรหันต์ทั้งหลายบูซาเพื่อนดอกไม้เพื่อนบูซาเพื่อนมุนี่มุนี่มันของเพื่อนมาด้เน่ยเขาเห็นเกีลรติขาชื่อเพื่อนเขาออกมาหน้ามันของโตู้ดังเป็นงบเี็นงียบบ่เมันได้แต่เสมันนไเพื่อน ยี่ว่าเียนสว่เชน่าชนะเพศสักในไตโลกระาบรรท้องเพิ่มมดเนี่ยเพิ่มทิมแล้วย่งแต่หมูห้าวหนมาไม่ยากกันด้วยหมูห้าว อ, อุปมาคือแมงวันในไตโลกระาเนี่ยน้าลายฟาละ ห, หันมดเพิ่มไปเนี่ยย่งแต่ข้าสอนน้องเพิ่นเป็นศาสดราแทพเลยแล้วหมูห้าวอุปมาคือหนอนหน้าไม่ยากกันอยู่เนี่นนนยเพิ่มได้ไม่กี่เดืหลายกัญญาหลายเห็นงจ้าทุกยปนโ ไม่ใช่ได้อยากนองละเมิดศีลห้า hit. ไม่ใช่ได้อยากจะถือศาสนาอื่นไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ลงคงกระพันไม่ใช่ได้อยากจะถือเรื่องดีงามดีไม่ใช่ได้อยากจะค้าขายสองผาค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นแรเงสัตว์ท right ี่ถวข้าวเป็นอาหารค้าขายล้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้ไม่มีในพระสุปฏิปันโนเลยคําสอนอรรถกุฏิศาสตร์นัเป็นโลกุตะคําสอน ไม่ใช่โลกีคําสอนแต่ชาวโลกที่โอบไม่เอามาฝาร็อกพระบรมศาสนามาแต่ละยุคแต่ละยุคก็แต่เพียงเขาโคส่วนคนโคก็มอบมาให้พระพุทธเจ้าองค์หน้าถึงอย่างนั้นท่านก็ยังอุตส่าห์มาดีกว่าเขาจมอยู่ท่านผูดอย่างนั้นพอเฮี้ไปได้ก็เอาไปผู้ที่บารมีแก่สร้างมาบ้างแล้วก็หิห้วเอาผู้ที่เิ้วเอาแล้วมัน มันหลุดมือท่านก็ไม่เอาถึงอย่างนั้นท่านก็ยังมีเมตตากรุณาาเอาพวกเราอยู่สับทั้งหลายทั่วทั้งใจโลกธาตุมันจะไปเคลื่อนสู่พระนิพพานหมดแต่ยังไม่มีคิวต้องมาเรื่อมใสพระพุทธศาสนาหมดสักทัวทั้งใจโลกธาตุมาเรื่อมใสพระพุทธศาสนาแล้วมาหลายชาติหลายภพจึงจะเรื่อมใสอีกเช่นโก็ฆร า, าสารีหมดก็ออกจากพวกสนชัย นัดตบุตรมาเลื่อมสายศาสนาพุทธเสียก่อนจึงถึงพระโสดาบันเปิดประตูไปถึงพระเนพานด้วยถึงพระโสดาบันแล้วก็เปิดประตูไปถึงพระเนป่าโรง่งโถงเลยไม่ถอยหลังบุญพระโสดาบันเป็นบุญบานหน้าบานหน้าไปถึงพระอนาคามีเมื่อไปถึงพระอนาคาบานหน้าไปถึงพระรหัตตะมั พอถึงอรหัตตผลแล้วกับเหนือบาปเหนือบนอบไปแล้วพอบุนเต็มแล้วบาปก็สร้างพอละพอแล้วบุนก็เต็มแล้วไปถึงน่ะถ้ายังไม่ถึงอรหัตตมรรคก็ยัง บ, บุญยังไม่พอบาปก็ละยังไม่พอถ้าถึงถึงอรหัตตมรรคมรรคแล้ว ก, ก็บาปก็ละพอบนก็ละพอบนก็สร้างพอก็ถึงพระอรหันต์พระอรหันต์ก็เป็นผลขาดตอนถ้ายังไม่ถึงพระอรหันต์พวกเราก็จะได้มาท่องเที่ยวในวัดตท่องสามอยู่นี้ อันโมนี้ไม่ใช่ของใหม่ของเก่าของพวกเราที่เคยท่องเที่ยวมานั่นเองผู้เจ้าก้อก็ดีผู้จิเก้ก็ดีนับแต่ไตรถกระทาเนี่ยท่องเที่ยวมาในวัฏสงสารผู้เกิดในคันในไข่ในเข้าในไข่ในเกิดพุทธขึ้นทุกวันหน้าจะได้เข้าสู่พระนิพพานดังนั้นแต่ยังไม่มีคิวศาสนาพุทธมีพระนิพพานศาสนาอื่นอย่างมะเอ๋ยเลยไม่มีแม่พระนิพพานมีแต่นิพพืนนิพพินในวัฏสงศาร ก็นิบเกิดเนิบแก่นีบเก็บเนิเนเนบนตายพวกที่มีทรัพย์มาแล้วรีบสร้างบารมีพวกนั้นสร้างบารมีแก่ก้ามาแล้วพวกที่คนจนก็รีบสร้างบารมีพวกนั้นก็สร้างบารมีแ ก, ก่ก้ า, า, ม, กามาแล้วพวกที่ยังไม่อิเหนออินหนะก็พระพุทธศรรษษาสนาพวกนั้นยังหนามากแต่พวกเราอยู่แต่เราอยู่ในระดับใดเป็นนั้นที่เราจะดูตัวเราเท่านั้นเรื่องผู้อื่นเป็นของอันอื่นเราเป็นดอกบัวชนิดไหน หรือใต้น้ำหรือโผลน้ำขึ้นแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราจะพิจารณาเราเอง